ง่างามอ้าววันนี้เป็นช่วงพิเศษพอดีมีวิทยกรรับเชิญคูดารู้จักคูดาไหมคูดาท่านจะมากล่าวอะไรกันพวกหนูหน่อ ย, ยนะตั้งใจฟังให้ดีนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสําหรับพวกหนูซึ่งไม่เคยได้ยินนะครับอเพื่อไม่การเสียเวลาอาจเจริญพรเรียนเชิญคูดาเช่นไรครับนิโมตั้งใจฟังนะงฟัง อาก็อีเขามานั่งอสวัสดีค่ะเด็กๆตอนแรกบอกว่าเป็นวิทยากรรับเชิญอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครใช่ไหมใช่ไหมคะเนาะแต่ตอนนี้จริงๆคือเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมคะหลายคนเคยเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็หลายคนทุกคนมากกว่าครูดาก็รู้จักเนาะแล้วก็ทักทายกันนะคะ <c oughs> ทีนี้ตอนนี้ครูดาเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เป็นคุณครูแล้วนะครูดาก็เป็ น, ปนผู้ปกครองพี่เตยพี่ตาลแค่นั้นเองนะคะแล้ววันนี้พอดีพ่อยอดชวนมาก็ยินดีที่จะมาคุยให้เด็กฟังนะคะคุยเรื่องอะไรเด็กตั้งใจฟังนะทีนี้เมื่อกี้ครูเซียนบอกว่าเดี๋ยวพี่ป .6 จะเข้ามาด้วยเนาะเราก็แบบว่านั่งรอพี่ป .6 แป๊บหนึง่งได้ปะได้ไหมคะเนาะจะได้ฟังพร้อมกันค่ะ เราเขยืบมาทั้งสองแถวเลยลูกมาเอาแบบเงียบสงบเลยนะให้พระอาจารย์เห็นเลยโอ๊ยขอบคุณมากเลยอย่างเงี้ยพระอาจารย์ชื่นใจเลยอะ่ะเดินดูว่าคุมบอลอยู่ไหนครับตอนนี้คุมบลไม่ได้อยู่ข้างใน ทีนี้ระหว่างรอคุณดา จ, จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้เป็นกำไรเลยระหว่างรอพี่เปางหกมานะเมื่อวานนี้โอ้ยังมีเสียงอะ่ะเมื่อวานนี้นะแพ ฟ, ฟ้าได้ยินไหมคะแพ ฟ, ฟ้าได้ยินคุณดาไหมคะไม่ได้ยินได้ยินเปล่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเพื่อนบอกเนะเดี๋ยวมาลิคอยบอกก็ได้นะคะอ่าทีนี้ พฟ้ามาอยู่ข้างหน้าดีไหมมาไหมอ่าไม่มาไม่เป็นไรทีนี้กูดาจะเล่าให้ฟังนะคะใครอยากฟังกูดาแล้วกอดอกใครอยากฟังกูดาแล้วยืดหลังให้ตรงเลยใครอยากรู้เลย ว, ว่ากูดาจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยนะเรามาสบตากันอ่าจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ย วันแรกของการหยุดไม่ได้มาเป็นคุณครูนะคะเพราะว่ากูดาเนี่ยอยากจะได้เวลาในการดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่อวานนี้กูดามาปุ๊บคูดาก็มาเดินออกกำลังกายนะคะอยู่ตรงสนามเราเนี่ยเสร็จ <c oughs> แล้วคูดาก็มองขึ้นมาบนอาคารของเราคูดาเพิ่งจะเคยเห็นว่าโรงเรียนของเราเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะทุกทีเนี่ยคูดาใช้ชีวิตของการเป็นครูเนี่ย18ปีนะ คุณดารู้ว่าโรงเรียนเราสวยแต่ว่าบางทีมันก็รีบรีบไปทํางานรีบเดี๋ยวจะต้องโฮมรูมเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมซีหลอกเดินไปข้างหน้ารีบร้อนไปหมดเลยคุณดาก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะมาชื่นชมความงามของโรงเรียนเราก็เลยอันนี้อันแรกเลยที่อยากจะบอกเด็กๆว่าเด็กๆทุกคนโชคดีมากๆที่ได้เรียนโรงเรียนที่สวยงามขนาดนี้มันไม่ได้สวยด้วยอาคารที่แบบว่าเลิศหรู แต่สวยด้วยสถานที่มันทำให้เราอะรู้สึกสบายที่เราอยู่ที่นี่ใช่ไหมเนาะบางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตึกหมดเลยถ้บ จ, จะไม่มีสนามหญ้าใช่ไหมเนาะบางคนเนี่ยพอเรามาอยู่กับธรรมชาติเรามาอยู่ในที่ที่ต้นไม้เยอะเหมือนเราที่เราไปสวนสาธารณะเราจะรู้สึกสบายใช่ไหมนั่นแหละโรงเรียนเราก็เหมือนกันเนาะคุณดาก็เดินออกกำลังกายเสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปทาธุระปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะ เหมือนมีนาฬิกาชีวิตเลยเพราะสามทุ่มเป๊ะเป็นยังไงง่วงมากเลยตาลืมไม่ขึ้นเลยหลับยาวตั้งแต่ตั้งแต่นอนเริ่มนอนหลับสามทุ่มตื่นอีกทีวันนี้ตีห้ายาวเลยอะ่ะเดาซิเป็นเพราะอะไรออกกำลังกายใครตอบโน้ตเหรอโอ้โหสุดยอดเลยโน้ตอดีสามเนนโน้ต เป็นเพราะคูดาออกกําลังกายนี่แหละนะ เ, ออเด็กๆ เ, เนี่ยอยู่ในวัยเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นว่าเอ้ยการออกกําลังกายมันมีค่ายังไงออกไปเพื่ออะไรครูให้วิ่งแล้วก็วิ่งใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้แบบว่าอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยได้ขยับขยื่นเคลื่อ น, นไหวแล้วก็ได้ฟื้นฟู ต, ตัวเองแล้วการหลับยาวๆเนี่ยมันทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนหนึ่งชนิดชื่อชื่ออะไร ฮอร์โมนชนิดนี้สำคัญที่สุดเลยอะในการมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะเด็กๆนะสำคัญมากใครจะสูงแค่ไหนใครจะผิวพรรณดีแค่ไหนใครจะสมองแจ่มใสแค่ไหนอยู่ที่ฮอร์โมนตัวนี้ใครรู้จักขึ้นต้นด้วยตัวจีตัวจีฮอร์โมนขึ้นต้นด้วยตัวจีสิงโตรู้ยังถูกต้องสิงโตกรอฮอร์โมนเนี้ยจะหลั่งตั้งแต่ตอนหัวค่ำ สามทุมเนี่ยเป็นเวลาหัวข้ามที่ร่างกายเนี่ยจะเริ่มเริ่มผ่อนคลายตัวเองที่จะเข้าสู่ภาวะการนอนหลับเพื่อให้ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูร่างกายที่เราใช้ไปทั้งวันเนี่ยคุณดัรู้สึกสดชื่นมากเลยเมื่อเช้านี้นะคะวันนี้คุณดัก็เลยมาเดินออกกําลังกายอีกนะแล้วก็จะทําทุกวันเลยอีกหน่อยก็จะวิ่งให้ได้เท่าเด็กๆเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่คุณครูพาออกกําลังกายเนาะให้เห็นคุณออค่าเอครูดําไม่รอห้องครูเสียแล้วนะจะเล่าให้ฟังและนะเล่าไปได้กําไรหนึ่งเรื่องแล้วยังไม่มาไมเป็นไรเนา ะ, ะทีนี้วันนี้นะคะที่กูดํามาคุยให้พวกเราฟังเนี่ยพวกเราอยู่ป .4 เนาะแปลว่าพวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณเก้าถึงสิบปีละนะบางคนก็ยังเก้าขวบบางคนก็สิบขวบแล้ว <c oughs> บางเรื่องนะคะ บางเรื่องเด็ก9้าขวบ10บขวบสิบเอดขวบเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจขอบคุณต้นคูณอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเออการใช้ชีวิตหรือการทําหน้าที่ต่างๆเนี่ยเราทําไปทําไมเนาะเดี๋ยวคุูดาจะเล่าให้ฟังนะคะคูดานเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่สิบเจ็ดปีนะเสร็จแล้วก็ทํางานมาเรื่อยๆนะตอนเป็นเด็กเนี่ยคูดาเคยไปวัดกับคุณย่าคุณย่าของคูดานเนี่ย คือคุดาเนี่ยอยู่ที่ภาคเหนือภาคเหนือหรือคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีค่านิยมในเรื่องของศาสนาที่ดีมากๆเลยเข้มแข็งมากๆเลยก็คือว่าเขาเนี่ยจะไปนอนที่วัดในวันโกนสมมติว่าวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมเมื่อวานเนี้ย่ยคืนบรรพรเลือดหัดเนี่ยญาติจะเตรียมตัวละเตรียมชุดขาวเตรียมดอกไม้เตรียมทูบเทียนเตรียมเครื่องนอนนะผ้าปูผ้าสีขาวปูนอนค่ะ แล้วก็เตรียมมุง้งมามุ้งกรดที่เป็นเหมือนของมุ้งพระอ่ะใครเป็นเนรน่าจะรู้เนาะอ่ะนั <c oughs> ่นแหละค่ะย่าก็จะเตรียมอย่างเนี้ยทุกวันโกนเลยครูดาเนี่ยก็ตามย่าไปวัดด้วยไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมนะแต่คิดถึงยา่าไม่อยากอยู่บ้านกับอากับลูกของยา่ามันคิดถึงอ่ะเหมือนเราคิดถึงพ่อแม่เวลาที่พ่อแม่ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเหมือนกัน คูดาก็ตามย่าไปด้วยย่าบอกว่าไม่ต้องไปไม่ได้ไปด้วยร้องไห้ขอไปด้วยตอนนั้นอายุประมาณสักสีห้าขวบเองนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปกับย่าอย่างเงี้ยไปนะก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยย่าเขาก็ปฏิบททัติรรมคุดาก็เดินเล่นบ้างวิ่งเล่นบ้างอยู่ใกล้ๆบ้าง <c oughs> เวลาที่พระสวดมนต์ก็สวดมนต์บ้างเล่นบ้างตามภาษาเด็กเนาะก็ทําอย่างนี้อยู่หลายปีนะคะ พอหลังจากนั้นคูดาก็เรียนหนังสือตามปกติก็ไม่ค่อยได้ไปวัดกับย่าเท่าไหร่ละเพราะว่าเราไม่ติดย่าและเราโตและเราอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่กับอาได้แล้วอะไรนีคะเสร็จแล้วพอ <c oughs> พอคูดาไปเรียนมหาวิทยาลัยคุณดาได้เริ่มอ่านหนังสือธรรมะนะคะคูดาอ่านตอนนั้นเนี่ยคูดาก็ไม่เข้าใจนะว่าพระพูดอะไรว่าอ่านอะไรแต่ว่าก็อ่านมาเรื่อยๆชอบอ่าน ชอบอ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาทํางานที่เนี่ยที่รุงอรุณเนี่ยครั้งแรกนะอาจารย์ประพาพาัฒนเนี่ยก็พาครูใหม่ประหกคะปรหกขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะอ๋อประหมากี่ห้องครับห้องเดียวขึ้นมาตั้งแถวเลยคะ่ะให้เป็นสองแถวเหมือนน้องเนี่ยคะ่ะอ๋อได้คะ่ะอ๋อไม่เป็นไรนะอ่อแล้วต่อนะพอครูดามาทํางานที่ น, นะคะป๋อยบอกว่า ใครที่มาเข้าทำงานรุ่นเดียวกับคูดาน่ะต้องไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเจ็ดวันที่จังหวัดอายุทยาคูดาก็ไปด้วยนั่นเป็นการเริ่มต้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมานะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานคูดาก็เหมือนพวกเราอะพวกเราเวลาปฏิบัติธรรมเคยเบื่อไหมเคยง่วงไหมคะเคยมีคำถามไหมคะว่าทาไมเราต้องทาเคยมีคาถามหม ทำไมเราต้องมาทำด้วยอ่ะทำไปทำไมอ่ะคูดาก็ถามเหมือนกันว่ อ, อทำไมเราต้องมาเดินอย่างนี้ทั้งวันเนี่ยเราอยากนอนดูทีวีอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทำนะก็ทำทุกครั้งเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมีวันหนึ่งคูดาไม่สบายพวกเราคงรู้เนาะว่าคุดาไม่สบายเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เป็นโรคร้ายที่ที่คูด้าตกใจนะไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอโรคแบบนี้ แต่หลังจากที่คุณดได้รับข่าวจากคุณหมอบอกว่าเอาคนไข้ครับคนไข้คะคือตรวจแล้วคะ่ะคุณคนไข้เนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งรักษาใช้เวลานานนะคุณดาก็หูเนี่ยมันวิ่งเลยอะ่ะคือแบบหูอื้อไปเลยอะ่ะแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งมันในการที่จะยอมรับความจริงว่าเออเราไม่สบายด้วยโรคร้ายเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็รักษาตัวเองเหมือนเราเป็นหวัด เวลาเป็นหวัดเราก็ไปหาหมอใช่ไหมค ะ, ะ <c oughs> เหมือนกันนี่เราเป็นโรคร้ายเราก็รักษาตัวเองได้เหมือนกันใช้เวลาวันเดียวซึ่งพอไปตอนหลังพอเข้าโรงพยาบาลก็ไปเจอคนไข้ด้วยกันเนี่ยคุณดาเจอคนไข้นั่งร้องไห้ <c oughs> นั่งร้องไห้โทรศัพท์โทรศัพท์คุยกับ ญาติที่บ้านแล้วก็นั่งร้องไห้ไปด้วยคูดาก็ไปปลอบเขาบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆ เ, เป็นอะไรเขาบอกเขาเสียใจมากเลยเขาตกใจมากที่เขาไม่สบายเป็นโรคร้ายโรคเดียวกับคุณดาคุณดาก็เลยคิดย้อนกลับว่าอ๋ออันนี้มันเป็นผลของการที่เราปฏิบัติธรรมมาตลอดเลยทั้งที่เราเบื่อบ้างงงบ้างไม่อยากทําบ้างนะแต่การปฏิบัติธรรมก็ส่งผลให้คูดาสามารถรักษาใจตัวเองได้เนาะ ก็อยากมาบอกเด็กๆว่าเออตอนนี้คุณดาผ่านการรักษาตัวเองมาหนึ่งปีแล้วนะคะเาบางครั้งของการรักษาเนี่ยคุณดาก็มีอาการแบบท้องเสียเยอะมากเลยะคะ่ะท้องเสียจนจะเป็นลมอยู่ในห้องน้ําอ่ะแล้วก็มีอาเจียนด้วยนะทั้งท้องเสียทั้งอาเจียนเนี่ยก็ทําให้แบบรู้สึกว่าโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยอะไรเงรี้ยค่ะก็ทำมานี่แหละที่รักษาใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ย อ, อยากให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของการที่ว่าเราเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีเวลาที่ครูมนครูต่างๆพาเราทำพระอารย์ พ, า, า, พาเราปฏิบัติธรรมเรายกมือสร้างจังหวะเนี่ย <c oughs> ก็อยากให้เห็นคุณค่าว่าอ๋อเดี๋ยวคงจะเหมือนครูดางไงที่เวลาที่เจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยเนาะเราเนี่ยธรรมะต่างๆเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือเรา ช่วยรักษาใจของเรานะคะแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับใจของเราเนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจิตตกนะมีบางวันนะมีอยู่วันหนึ่งคุณด่เบื่อมากเลยอ่ะเบือ่อเบือ่อนอนอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเ้ยเบือ่อไม่อยากไปหาหมอแล้วอะ่ะช่างมันเถอะจะเป็นอะไรก็ช่างมันไม่อยากทำอะไรละปรากฏว่าวันนั้นทั้งวันนะคุณด่าไม่หิวข้าวเลยอ่ะมื้อเช้าไม่กินข้าว มันก็ไม่หิวปกติพวกเราไม่กินข้าวสักสิบเอดมงเราจะหิวแสบท้องเนาะอ่ะอันนี้ครูดาไม่หิวข้าวพอตอนกลางวันก็ไม่หิวข้าวอีกตอนเย็นก็เหมือนกันโอ้ครูดาก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่ไงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเนี่ยเป็นหัวหน้าในการที่จะสั่งร่างกายพอจิตรู้สึกว่าไม่เอาละ ไม่อยากทําอะไรละไม่อยากหาหมอและวยาก็ไม่อยากจะกินละร่างกายมันก็ทําตามเลยนะทําตามหัวหน้าเลยนะเออหัวหน้าบอกว่าไม่อยากทําอะไรแล้วนี่ก็ไม่กินล้วก็ไม่หิวแล้วก็ไม่ทําอะไรละถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคิดว่าร่างกายครูดาจะเป็นยังไงคะต้องตายไหมคนเราไม่กินข้าวหลายวันต้องตายเนาะเออ คนเราไม่กินน้ําหลายวันก็ตายเนาะนั่นแหละครูดาก็เลยรู้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสวดมนต์ก็เหมือนกันบางวันก็ขี้เกียจสวดมนต์โอ้ยไม่อยากสวดมนต์ละมันก็เหมือนเมื่อวานนี่แหละอะระหังสัมมาเนี่ยเหมือนกันทุกวันเลยวันนี้ขี้เกียจสวดมนต์โอ้โหวันนั้นนะฟุ้งซ่านทั้งวันเลยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวเดี๋ยวคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่น มันก็เลยอ๋อเห็นแล้วล่ะว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงได้บอกว่าใครอยากเป็นคนดีนะใครอยากเป็นคนดีให้อยู่ในศีลในธรรมให้รักษาศีลห้าศีลห้าข้อเนี่ยรักษาให้สมบูรณ์ใครอยากเป็นคนดีตอนเะช้าสวดมนต์ตอนเช้าใครอยากเป็นคนดีตอนกลางคืนสวดมนต์นั่งสมาธินะ วันที่คูดาไม่ขี้เกียจแล้วคูดาก็ทําทุกวันเลยตอนเช้าหนึ่งรอบตอนเย็นหนึ่งรอบก็ปรากฏว่าร่างกายคูดาเนี่ยก็ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งคูดาก็มีความรู้สึกเลยเชื่อมั่นเลยว่ามันดีขึ้นได้แน่นอนตอนนี้คูดาเดินได้ได้เฉพาะด้านข้างนะต่อไปคูดาต้องเดินรอบได้รอบใหญ่ แน่นอนเหมือนเวลาว่ายน้ำเราว่ายว่ายฝั่งแคบใช่ไหมฝั่งแคบอีกหน่อยครูเราก็จะต้องว่ายฝั่งยาวได้แน่นอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดีต่างๆที่ครูมลก็เคยสอนว่าเวลากลับบ้านเนี่ยให้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่มันคือความดีบางครั้งเราเราขี้เกียจทำเราจะรู้ได้ไงว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราได้ทุกวัน วันหนึ่งพ่อแม่ก็อาจจะไม่อยู่ให้เราสวัสดีพ่อแม่ก็อาจจะไม่อยู่ให้เรากราบไหว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากมาเล่าให้เด็กๆฟังว่าคุณค่าของการทําความดีคุณค่าของการปฏิบัติธรรมมีอยู่แล้ววันหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยจะมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอว่าเฮ้ยเนี่ยเราปฏิบัติธรรมมาตั้งเยอะแล้วมาช่วยรักษาใจเราสิให้ใจเราแข้งแข็งสิไม่ต้อง นะธรรมะจะรักษาใจเราเองเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> พอคุูดาป่วยไม่สบายเนี่ยคุูดาก็จะเห็นคนไข้ด้วยกันเองนะบางคนก็มาต่อเจอหน้ากันบางคนก็หายไปนะคิดว่าเขาก็คงอาจจะไม่ได้อยู่ต่อแล้วคุูดาก็เห็นว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ย ม, มันมันมีค่ามากเลยการที่เราได้ลืมตาตื่นมาแล้วเรามีลมหายใจเนี่ยมันมีค่ามากเลยคูดาเวลาดูข่าวแล้วมีคนฆ่าตัวตายนะ มีข่าวว่าคนนั้นกระโดดสะพานฆ่าตัวตายคนนี้ผูกคอตายคุณตาอยากเดินไปบอกเขาจังเลยว่าจะทําร้ายตัวเองทําไมอ่ะในเมื่อชีวิตมันมีค่ามากเลยอ่ะการที่คนที่ไม่สบายแล้วก็มีชีวิตที่รู้ว่าเหลือเวลาน้อยแล้วเนี่ยการที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วมีลมหายใจเนี่ยมันมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วเนี่ยจะทําร้ายตัวเองทําไมเนอะแล้วก็ คูก็เคยอ่านในหนังสือว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะต้องตกนรกนะแล้วก็จะต้องติดอยู่กับบ่วงกรรมตรงนั้นไปอีกหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้น <c oughs> อยากจะที่มาเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยอยากจะให้รู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยอย่าคิดฆ่าตัวตายเด็ดขาดมันคือบาปมหาห์มากเลยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยให้ชีวิตเรามาเลี้ยงดูเรามาจนเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ย มีปัญหาอะไรเราใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่า <c oughs> อย่าใช้วิธีที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากกับปัญหาที่เราพบเนาะนะคะฝากเอาไว้นะเพราะว่าอีกหน่อยเราโตขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะไปเจอวิกฤตในชีวิตคล้ายคุ้ายูดาก็ได้หรือบางคนอาจจะเจอวิกฤตชีวิตที่หนักกว่าคูดาก็ได้นะฝากเอาไว้ว่าอย่างไรก็ตาม ให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แล้วให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่โดยที่เป็นคนดีการเป็นคนดีก็ไม่ยากเหมือนที่ครูดาบอกรักษาศีลศีลอะไรคะศีลห้า น, นะเชื่อในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราบ้างในบทสนมนต่างๆพระพุทธเจ้าก็จะสอนเรานะคะว่า เวลาที่เราท่องน้นโมตสาแล้วก็จะมีคำแปลใช่ไหมใช่มคะ <c oughs> ตั้งแต่อะไรนะดำริชอบไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเจราจาชอบทุกอย่างในนั้น8ดอย่างเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากเป็นคนดีถ้าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้แหละทำา8อย่างนี้แหละให้สมบูรณ์อยู่เสมอ นะแล้วก็บางครั้งที่เราพลาดพลั้งอะไรไปอะ่ะให้เราให้อภัยตัวเองพอเราให้อภัยตัวเองนะมันจะทำให้เราเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นที่จะกลับมาเป็นคนดีได้เหมือนเดิมนะสิ่งที่เราดังพร้อยไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่เราเติมน้ำดีให้แก้วเราใหม่เดี๋ยวแก้วของเราก็จะมีน้ำที่สะอาดสดใสเหมือนเดิมนะฝากไว้นะคะ คุณดาเล่าจบแล้วอ่ะมีอะไรอยากถามคูไดาไหมอ่าถามเลยครับตา อต้าถามคูดาว่าเมื่อกี้คูดาได้ยินแล้วแหะแต่ว่าเอาเพ่อยอดกําลังอัดเสียงอยู่เนาะต้าถามอีกทีนะครับต้าถามอีกทีได้ค่ะเมื่อกี้<ม> ต, า, ตาถามคูดาคูดาว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนต้านี่ยแหละตาหันมาเลยต้าถามคูดาว่าคูดาเป็นโรคร้ายอะไรนะคะ คุณดาเป็นโรคมะเร็งนะเป็นโรคมะเร็งที่ลำไส้นะคะเนี่ยโอ้ยหลายคนซีดเลยอุย้ยนะโรคนี้นะคะอะไรคะลกูกตอนนี้ยังไม่หายค่ะตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่นะคะทีนี้คุณดาเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่มันเป็นโรคที่รุนแรงมันเป็นโรคที่ร้ายแรงแต่ว่าอะไรนะแปปนึงเดี๋ยวนึ่ ใครจะพูดพูดใส่ใหม่นะแล้วมันจะลามไปได้ด้วยคะใช่ค่ะมันจะลามไปได้เรื่อยๆด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วจะตายทันทีเด็กๆว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเมื่อเราเกิดมาแล้วเราเราตายได้ไหมตายได้แล้วจะต้องอายุ80ถึงตายไหมคะไ ม, ไม่เนาะเออบางคนเนี่ยอายุ ห้าขวบก็ตายแล้วใช่ไหมบางคนอายุสิบขวบก็ตายแล้วเคยดูข่าวไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะหันมาค่ะกัาฟฟิลหันมาค่ะสามสองหนึ่งอ่ะ คนเราเกิดมาทุกคนมีหน้าที่ต้องตายหมดเลยถูกไหมอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยเทวทูตทั้งสมีอะไรคะเทวทูตทั้งสี่ที่พระเจ้าเจอหนึ่งเกิดสองแก่3เจ็บสตายแปลว่าทุกๆุกคนต้องพบเทวทูตนี้หมดเลยเกิดแล้วก็ต้องแก่เราเกิดมาวันหนึ่งเราก็แก่แล้ว วันนี้เราแก่กว่าเมื่อวานไหมแก่กว่าไหมคะเออพรุ่งนี้เราแก่กว่าวันนี้ไหมแก่อ่ะพวกเราเคยเจ็บไหมคะไม่สบายไหมอ่า ท, ทีนี้คุณดาวก็เหมือนกันโอ้มีคนคุยแล้วอะ่ะพอคุยเรื่องนี้แล้วไม่ฟังต่อแล้วอะ่ะทุกคนเคยเจ็บเคยไม่สบายคุณดาวก็เหมือนกัน คุณดก็ไม่สบายตอนนี้คุณดาก็ไม่สบายแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอหมอบอกปุ๊บอ่าผมเจอแล้วคุณเป็นโรคมะเร็งพรุ่งนี้ปุ๊บคุณดาเข้าโรงเลยใช่ไหมไม่แต่คนที่ขับรถออกจากบ้านแล้วไปเจออุบัติเหตุเขาตายเร็วกว่าไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่า เราได้ฟังแล้วว่าอ่ะเราเป็นโรคนี้ปุ๊บเราจะต้องตายในวันพรุ่งนี้วันมะลืนคุณดามีชีวิตอยู่หลังจากที่รู้แล้วหนึ่งปีแล้วยังอยู่เนาะแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยว่าเออคนเราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีค่านะได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆเนี้ยที่จะฝากไว้ในใจของเด็กๆต่อไปเมื่อ เราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณดาก็หวังว่าเรื่องเล่าของคุณดานเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมได้เห็นคุณค่าของการทำความดีเล็กๆน้อยๆของเราทุกวันทุกวันหยดกระปุกความดีเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะขอบคุณต้านะครับที่ถามอ่าคนอื่นคะอยากถามอะไรไหมคนอื่นอยากถามอะไรไหมคะ อ่าโอโซนทำไมกูได้ถึงบอกว่าไปกับยา่าทำไมไม่ไปกับพ่อแม่อ๋อตอนเด็กอ่ะคุณพ่อคุณแม่คูดาอยู่อีกจังหวัดนึงพ่อแม่ไปค้าขายที่จังหวัดเชียงรายแล้วกูดาอยู่เชียงใหม่กับคุณยา่าคุดาก็หลักย่ามากเลยย่าไปไหนต้องไปด้วยไม่ยอมอยู่เลยอะไร แล้วทำไมครูครูดาถึงไม่อยากอยู่กับคุณอาอ๋อตอนเล็กๆอ่ะรักย่าที่สุดไงครับย่าเนี่ยเป็นที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างของคุูดาเลยขอให้ได้อยู่ใกล้ๆ ใ, ให้ได้กลิ่นย่ามีโูกกี่คนครับสองคนครับก็อื่นใครมีใครอยากถามไหมพี่เหรอพีทจะถามค่ะ ตอนนี้คุณยา่าของคุณดายังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วคะ่ะไปสวรรค์แล้วแต่ว่าโออยากอยากรู้ไหมว่าตอนคุณย่าเสียคุณย่าเป็นยังไงอยากรู้ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพีทที่คุณดารู้สึกว่ามันทําให้คุณดามั่นใจที่จะปฏิบัติธรรมะนะคุณย่าเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าย่าเนี่ยชอบปฏิบัติธรรมชอบไปนอนที่วัดนะคะเสร็จแล้วย่าก็ตอนช่วงท้ายของชีวิตย่าไม่สบายเป็น เส้นเลือดในสมองแตกเส้นหนึ่งนะคะแต่อาการไม่เยอะแล้วย่าก็ออกกําลังกายฟื้นฟู ต, ตัวเองเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึง่งวันที่ย่าจะเสียเนาะย่าก็อให้อาเนี่ยขับรถพาไปที่ไหนสักที่หนึ่งจะไปธุระที่สักที่หนึ่งเสร็จแล้วย่าก็บอกว่าเออตอนเนี้รู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วคุณอาก็พาย่าจะไปเข้าห้องน้ํา ปรากฏว่าย่า ก, กำลังเดินจะไปถึงห้องน้ำอ่ะย่าก็นั่งลงแล้วก็เสียเลยเสียชีวิตเลยคือการจากไปของย่าเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยอะ่ะเหมือนเหมือนคนแบบว่าคล้ายๆคนง่วงนอนเหมือนเราจะหลับแล้วเราก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นการตายดีก็คือตายไม่ทรมานบางคนกว่าจะตายเนะ่ยเจ็บปวดทุกทรมานมากใช่ไหม แต่ย่าไม่เป็นอย่างนั้นครูดาก็เลยจําเลยว่าเออคนเราเนี่ยเวลาจะตายเนาะทุกคนอยากตายดีอยากตายแบบไม่ทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เราไม่ทุกข์ทรมานเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเหมือนย่าใช่ไหมแล้วคุณย่าของครูดาอายุเท่าไหร่ตอนที่เสียย่าอายุ78คะ่ะแล้วครูดาอายุเท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้ครูดาเหรอคะยังไม่ถึง78คะ่ะ ตอนที่คุณย่าเสียคุดารู้ได้ไงตอนนั้นคุดาทางานที่นี่แล้วค่ะคุดาทางานที่นี่แล้วคุดาเพิ่งทํางานได้หนึ่งเดือนย่าก็เสียคุณอาเล่าให้ฟังว่าเอออาการของย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุดาก็เลยอ๋อได้มาประมวลว่าเออจริงๆถ้าเราอยากจะตายแบบอย่างเงี้ยไม่เจ็บปวดทรมานนะการปฏิบัติธรรมช่วยได้ค่ะแล้วย่าเสียชีวิตในห้องน้นแล้วคุณดารู้ได้ไงอ๋อ ก็อาเล่าไงลูกคือพอเสียชีวิตปุ๊บคุณอาก็พาศพย่าไปทำศพที่บ้านใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคูดาก็ไปงานศพย่าอาก็เล่าให้ฟังว่าเออย่าจากไปด้วยอาการแบบนี้แบบนี้อะไงตอนนี้คุณย่าเสียคูดาอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนั้นคูดาอายุ32มสิบสองสสสอง ตอนที่ครูตอนที่คุณย่าของคุณดาเสียคุณดาครูดารู้สึกเสียใจไหมครับเสียใจมากที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่รักที่สุดรักแม่อีกคนหนึ่งเท่ากับย่าเลยรักพ่อรักแม่รักสามคนนิดที่สุดของชีวิตที่รักย่าแล้วก็พ่อแม่เพราะอะไรรู้ไหมใช่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยให้ชีวิต แต่ย่าเนี่ยให้การเลี้ยงดูตั้งแต่คลอดเลยแม่ก็ฝากครูดาไว้กับย่านะหลังจากนั้นก็อยู่กับย่ามาตลอดแล้วพ่อกับแม่ของครูดาวพ่อกับแม่ก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่แล้วพ่อกับแม่ของครูดาอายุเท่าไหร่แล้วครับเยอะแล้วค่ะพ่อเนี่ย80กว่าแล้วแม่ก็เกือบ70 เหมือนเห็นตายกมือใช่ไหมครับเปล่านะครับคุดารู้ไหมครับว่าตอนคุณย่าตายคุณย่าคิดอะไรอยู่คะไม่ไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้คุยกันเนาะไม่ได้คุยกันลูกคุดาอยู่เท่าไหร่ะคะ่ะลูกคุดาอยู่มสามกับมสอง <2 S 2> สิบกว่าแล้วค่ะชื่อพี่เตยกับพี่ตา อยากรู้อะไรอีกเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาคุยบ่อยๆนะอลูกวายจะถามคุณอาของคุูดาอายุเท่าไรตอนที่คุณย่าเสียเหรอคะตอนนั้นเนี่ยน่าจะเดานะน่าจะสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบแล้ว แล้วคูดาไปออไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนคะโรงพยาบาลซีรีลาดค่ะคูดาทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วค ร, ร, รับสิบปดปีคูดารักที่นี่เป็นบ้าน นะคะเนี่ยเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของคุดา ค, ดาคุดาคะคิดว่าประโยชน์ในวันนี้ค่ะที่คุดาตั้งใจมาเล่าให้เด็กๆป .4 ฟังเนี่ยค่ะคืออะไรคะแล้วอีกเรื่องหนึง่งคุดาคิดว่าสิ่งที่เล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับเด็กๆอะคะก็เมื่อกี้ได้พูดไปบ้างแล้วแต่ว่าย้ำอีกที อยากจะบอกเด็กๆว่าการเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของนักเรียนไม่สูญหายไปไหนเลยวันหนึง่งเมื่อหนูเจอวิกฤตในชีวิตมันจะมาช่วยเรานะคะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมธรรมจะรักษาใจเรานะคะและที่กูดา บ, บอกว่าใจเราเป็นหัวหน้ากายเราเป็นลูกน้อง อันนี้เป็นสิ่งที่คุณดาพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยทีนี้เราอยากให้ร่างกายของเรามีหัวหน้าแบบไหนละ่ะเราก็ต้องฝึกใจเราที่จะต้องเป็นหัวหน้าที่ดีใช่ไหมคะเป็นหัวหน้าที่ตั้งใจเป็นคนดีเป็นหัวหน้าที่มีศีลรักษาศีลเป็นหัวหน้าที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอด แล้วหัวหน้าเนี่ยก็จะพาลูกน้องไปในทิศทางที่ดีคุณอาก็คิดว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์ให้เด็กๆ เ, เนี่ยจดจำเอาไว้เห็นคุณค่าของการเป็นเด็กดีเอาไว้แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเองนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าในฐานะที่คุณดาเนี่ยอายุเนี่ยก็เยอะแล้วปฏิบัติธรรมมา สิบแปดปีต่อเนื่องเหมือนที่เล่าให้ฟังคุดาได้พิสูจน์ด้วยตัวคุดาเองเลยว่าโหถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเราจะมีชีวิตที่แย่กว่านี้แน่นอนโหถ้าเราไม่เชื่ออาจารย์ประภาพัฒน์นะแล้วหนีการปฏิบัติธรรมนะเราไม่เคารพพระอาจารย์นะเราไม่อ่อนน้อมนะแล้วแข็งกระด้างกระเดืองนะ ชีวิตเราแย่กว่านี้แน่นอนเนี่ยครูดาเจอแล้วถึงมาเล่าให้เด็กๆฟังได้ค่ะมีธรรมะในข้อไหนที่คุณครูดาเอามาใช้ในช่วงที่ทราบว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วรู้สึกว่ามีเวลาเหลืออยู่ไม่มากใ น, ในตอนช่วงนี้บ้างครับก็ สิ่งที่คุดาทําอยู่ตลอดเลยก็คือว่าการมีสติรู้ตัวนะคะที่พระอาจารย์สอนเรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ตัวว่าตอนนี้มือเราขึ้นหรือมือเราลงตอนนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องดีหรือคิดเรื่องไม่ดีตอนนี้ใจเราเศร้าหมองอยู่ไหมคุดาก็ใช้การรู้ตัวเนี่ยคะ่ะตลอดเวลา ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ก็ยังมีความตั้งใจที่จะทําตลอดเวลาเลยแล้วอย่างที่บอกว่าเราให้อภัยตัวเองถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้เรามีอารมณ์ไม่ชอบขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทําอย่างนี้ค่ะตลอดเลยมันก็ทําให้มีชีวิตอยู่กับความเป็นปกติของร่างกายได้ค่ะ ลูกวายถามเลยเดี๋ยวคุณทวนให้อ๋อลูกวายถามว่าทำไมคุณตาถึงต้องไปโรงพยาบาลก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีความผิดปกติบางอย่างพอเราสังเกตร่างกายแล้วเรารู้ว่าอันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็รีบไปหาหมอเด็กๆก็เหมือนกันเวลาไม่สบายต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะมันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิม นะอย่างเช่ น, เ, นเราเคยเข้าห้องน้ําทุกวันเลย mm hmm. เราเคยไปถ่ายทุกวันเลย mm hmm. แต่เนี้ยสามวันแล้วถ่ายไม่ออก mm hmm. อาทิตย์หนึ่งแล้วถ่ายไม่ออก mm hmm. ให้รีบบอกคอุณ mm hmm. พ่อคุณแม่นะคะพ่อแม่ก็จะช่วยเราถ้าพ่อแม่ช่วยไม่ได้ก็จะพาเราไปหาหมอเนี้ยค่ะอยากถามคุดาค่ะว่าจริงๆแล้วความตายอะค่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวไหมคะ เพราะว่าบางทีเด็กๆ เ, เนี่ยเขาก็พออยู่ในที่มืดเขาก็จะรู้สึกกลัวผีกลัวนูน่นกลัวนี่แต่จริงแล้วความตายในความพิชของคูดาตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะก็คูดาคิดว่าความตายน่ยคำมันน่ากลัวเมื่อไหร่ที่เราเห็นความตายปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องพลากจากสิ่งเราจะต้องถูกพลากจากสิ่งที่เรารักใช่ไหมเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วเราจะไม่ไม่ได้เจอ คนที่เรารักแล้วเราเจะไม่ได้อยู่บ้านแล้วก่อนหน้านี้คุณเราก็คิดแบบนี้แหละแต่ว่าก็มีอาจารย์สอนมานะคะว่าความตายเหมือนเราเดินทางไปอีกที่หนึง่งเราจะไปแบบไหนถ้าเราจะไปแบบดีๆเราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเราก็ต้องเตรียมจัดกระเป๋าจัดเครื่องเดินทางใช่ไหม เหมือนกันค่ะที่เรามานั่งเจอกันอยู่ทุกวันนี้เราก็ตายกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแหละดังนั้นถ้าเราจะเจออีกครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวตอนนี้คูดาก็ไม่ไม่กลัวแต่คูดาเตรียมตัวคูดาไม่อยากจะเจอสิ่ง น, นี้ด้วยความประมาท พวกเราเองก็ทำได้นะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าความตายไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องอายุ80ความตายไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องอายุ15อายุ50 60 90เป็นของคนแก่เท่านั้นไม่ใช่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเรือไททานิกชนหินโซโครคครั้งเดียวคนตายเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันเจอได้ทุกขณะเลยแต่ไม่ให้ไม่อยากให้กลัวจนแบบว่าโอ้ยมันน่ากลัวมากไม่เลยนะเหมือนที่ครูดาบอกเหมือนเราจะเดินทางไปอีกที่หนึง่งเราเราอยากไปแบบดีๆเราก็ต้องเตรียมตัวไม่ประมาทนะคะอะไรทําให้คุณครูดาไม่กลัวตายครับก็จากการที่ได้คุยกับอาจารย์ที่ว่าเนี่ยคะ่ะ พออาจารย์ชี้ให้เห็นว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้เราทุกคนเกิดตายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วละ่ะดังนั้นเมื่อเรามีหน้าที่เกิดมาในโลกนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ที่เราจะต้องจากไปเหมือนกันไม่งั้นคนล้นโลกจากไปเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้เรารู้วันเกิดเราคนนี้เกิดวันนี้คนนี้เกิดวันนี้คนนี้เกิดวันนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่อง ธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอค่ะแล้วมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำํำและอะไรบ้างเป็นเรื่อง ท, องทรรี่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องตัดทิ้งไปเดี๋ยวนี้หรือว่าไม่จําเป็นในชีวิตที่เราเผิดหลงทํามาตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะกอ็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณดเจอคนที่จะฆ่าตัวตายจะเดินไปบอกเลยว่าอย่าทำเลย เพราะการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีค่าการที่เด็กได้ลืมตาตื่นมาและได้ทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันมีค่าแล้วก็เราจะมีชีวิตอยู่แบบไหนเราก็ต้องเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นนักเรียนที่ดีทำหน้าที่ต่างๆของเราอย่างสมบูรณ์ อะเด็กๆฟังแล้วเป็นไงบ้างเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจบ้ะที่คุณครูเข้ามาพูดให้วันเนี้ยใครเข้าใจบ้างยกมือเยอะแล้วเกินใครคิดว่าจะสรุปได้แน่นอนสรุปเอาคนที่เก่งที่สุดคิดว่าสรุปแล้วที่คุณครูดาพูดวันนีอ้ออกมาเลยคนเดียว ออกมาแล้วคนหนึ่งใครอะคิดว่าเอาออกมาแล้วอ่ะความตายเป็นสิ่งไม่น่ากลัวครับความตายเป็นสิ่งไม่น่ากลัวเรย่องอื่นมีอีกไหมครับครูดาพูดดึงเยอะอ่ะ สรุปที่ครูดาพูดตั้งแต่เช้านี่เกือบชั่วโมงนี้มีแล้วไม่ใช่มาพูดแล้วพวกคุณไม่รู้เรื่องเลยนะเสียเวลานะเอาแล้วออกมาเลยครับลูกหวายการทำบุญเพื่อัคเพื่อนฟังการทำบุญช่วยชีวิตเราการทำบุญช่วยชีวิตเรา อ่ะยังอื่นมีไหมครับอ่ะมามีไหมแล้วอาออกมาแล้วถ้าจิตใจเราไม่สู้ชีวิตของเราก็จะมีสิทธิ์ตายง่ายมากกว่าใกล้เคียงอ่ะยังไม่ได้ตัวยังไม่ตรงตัวที่หลวงพ่อต้องการอ้าวใครแล้ว จะได้สิ่งนั้นมันก็จะช่วยชีวิตถ้ามันก็จะทำให้ตายช้าลงช้าลงอ่ะโอเคมีไหมครับหลวงพ่อเองดีกว่าอ่ะลายอันมา ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับฟังดีๆนะสะอาดสะอาครับสว่างสว่างสว่างครับสงบคุณครูดานั่งนั่งบนเก้าอี้ให้ลูกศิษย์เห็นหน้านะ คุณอาจจะเห็นหน้าคูดาววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณก็ได้อาจจะไม่เจออีกแล้วก็ได้หลวงพ่อสรลปอย่างนี้แล้วกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตพวกคุณนะคุณต้องยอมรับได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วขาว คุณจากโลกนี้ไปโลกหน้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ปัจจุบันที่คุณอยู่ตอนเนี้ยขณะเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลักง่ายๆเลยคำว่าสติคุณต้องมีสติรู้สึกตัวว่าตอนนี้ร่างกายคุณทำอะไรอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่าย คุณต้องมีสติรู้ว่าตอนนี้จิตใจคุณเป็นยังไงสุขทุกข์เฉยเฉยดีชั่วโลภโกรธหลงสิ่งเหล่านี้คุณต้องฝึกเพราะตอนนี้คุณดาคุณคูดาตอนเนี้ยกำลังทำสงครามขั้นสุดท้ายซึ่งพวกคุณก็ต้องเจอสงคราม ที่กำลังสู้กันอยู่แบบคุณดานเนี่ยสงครามช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณทุกคนไม่มีคำว่าเสมอฟังดีๆนะครับไม่มีคำว่าเสมอมีแต่แพ้กับชนะ การจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเองณขณะนั้นว่าจิตคุณมีกำลังพอไหมจิตคุณเป็นจิตกุศลหรืออกุศลจิตของคุณตอนนั้นเนี่ยมีสภาวะตื่นรู้ไหมหรือว่าหลงคุณทำบุญมาตลอดชีวิต แต่จิตสุดท้ายของคุณที่คุณทาสงครามอยู่คิดถึงความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตกนรกแน่นอนไปเป็นเป็ดจิตสุดท้ายของคุณถ้ามีความโกรธคุณตกนรกแน่นอนเป็นอสูรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าคุณหลง ฉะนั้นหลวงพ่อสรุปสั้นๆง่ายๆนะการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเปรียบเสมือนกับแค่ทรายบนนิวนนนน้วก้อยของคุณเท่านั้นเองที่มันติดบนนิ้วก้อยคุณเนี่ยโอกาสที่คุณจะเกิดยี่สิบเจ็ดล้านล้านตัวซึ่งเป็นสเปิร์มของผู้ชายกับไข่ของคุณแม่คุณที่มันจะต้องไปปฏิสมธิเป็นคนเนี่ย มันเข้าได้แค่ตัวเดียวเต็มเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดฉะนั้นมนุษย์ถ้าจะเกิดออกมาเนี้ยยากมากพวกคุณต้องเรียนการเจริญสตินะยังเหมือนกับที่หลวงพ่อสองคุณไปแล้วเนียที่บอกให้วาดรูปแล้วกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี้ยอันเนี้ยคือการเจริญสตินอกจากนี้คุณก็ไปทำบุญทำทานกันเอาเองแล้วก็ จะไปบวชหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ครูสนพวกนี้ครูต้องสร้างอย่างที่คุณคูดาบอกสร้างมาสะสมสะสมมาแล้วจิตสุดท้ายเนี่ยตอนนี้คูดากลาลังสู้อยู่ไม่มีควาว่าเสมอของคูดาตอนนี้มีแต่แพ้กับชนะแต่คิดว่าเนื่องจากท่านปฏิบัติธรรมมานานหลวงพ่อก็คิดว่าท่านคงคงไปดีคงไปดีปดนะ แล้วก็พวกเราโชคดีมากที่ได้ฟังในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าคุณครูท่านก็เป็นห่วงพวกเราหลวงพ่อก็พยายามให้ครูดาเข้าไปพูดที่ห้องโถงใหญ่เนะี่ยเวลามันไม่มีเลยไม่มีเลยก็ไม่รู้จะทําไงก็ต้องเจียดเวลาเนี่ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหมายท่านพูดให้พวกคุณได้เขาใจคุณได้ฟังตอนนี้แค่สองห้องนะอีกยี่สิบกว่าห้องยังไม่ได้ฟังเลยนะที่ครูดาพูดในวันนี้ ก็ถือว่าคุณโชคดีมากนะครับฉะนั้นก่อนจากกันวันเนี้หลวงพ่อก็คิดว่าพวกเรานั่งสมาธินะแล้วส่งจิตในกุศลเนี้ยไปช่วยให้คุณคูดาหายจากโรคป่วยในครั้งนี้ด้วยอา้าวนั่งสมาธิกําหนดจิตที่เป็นกุศล น, นะส่งไปช่วยให้คุณคูดาหายป่วยจากโรคนี้ด้วยอา้าวไม่มีเสียงแล้วนะครับ เริ่มครับสมควรแก่เวลาก็หลวงพ่อหวังว่าปฏิหารคงมีจริงแล้วก็สาหรับพวกเราคนที่จะไปบวชก็พยายามส่งจิตส่งแรงใจให้คูดาให้ท่านหายป่วยเร็วๆ เ, เพื่อท่านจะได้อาจจะกลับมาสอนเราต่อไปในอนาคตวันนี้คนที่สามารถให้พรได้เดี๋ยวให้พรพ่อหลวงพ่อเลยนะหรือพ่อจะให้พอรอูดาด้วย คนที่เคยบวชกับหลวงพ่อน่าจะช่วยได้สวดดังๆนะครับสภิริโยวิวชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาดไปสาพรโรคโวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรารโย อ, อันตรายยามีแก่ท่านสุขีติขายุโกภะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจะ ต, ตาโรธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังพาลัง <c oughs> พรสีปากะคืออายุวันนะสุขะบาลาม ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้ำต่อผู้ใหญ่เป็นนิจชยสิทธิทิาังลาพังความชนะความสำเร็จทรัพยาลาสติปาขยยงสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลัง สิริอายุจวันโนจะาโพคังวุฒิเจยศวะสิริอายุวันนาโพคัสัพความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตาวาจะจายุจ่การได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวาสิทธิภะวันตุเตและความสําเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเธออ้าวส า, ดดสาธุดังดังสาธุสาธุสาธุอานุโมทนารุมาขอบคุณมากคุูดาเดี๋ยเด็เดเดกๆกล่าวคุูดาก่อนนะแล้วค่อยไป